สานีวิรุครอบกลัวข่าวศเจริเฟมร้อยกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งท่านผู้ฟังการประชาระมหาภัยบณ์อภิปุณโนจะวัดป่าอนหนโศกเมื่อวันนี้เราได้นำเรื่องของสามเณรที่ชื่อว่าติสสะมาให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันเป็นเรื่องราวของบุคคลเด็กคนหนึ่งที่มีความไม่ประมาทบวญมาตั้งแต่เด็กกับท่านพระสารีบุตร พอบวชมาแล้วมีบุรพกรรมที่ได้ทํามาได้เกื้อกูลพิสูจน์ทั้งหลายในเรื่องราวต่างๆแต่จนถึงวันละหนึ่งก็ได้หลีกออกเล้นไปอยู่ผู้เดียวในป่าก็จนทําอาราธนผลให้แจ้งขึ้นได้ในทีนี้พอหลังจากทําอาราธนลให้แจ้งขึ้นได้แล้วท่านพระอุปชาคือท่านพระสารีบุตรก็จะไปเยี่ยมสามเณรที่นี้แล้วไปนี่ก็ไม่ได้ไปคนเดียวท่านผู้ฟัง โอ้เอาหมู่พวกไปด้วยเยอะแยะเลยแต่เราะว่าพอท่านพระสารีบุตรจะไปไหนเนี่ยคุณหนึ่งก็ตามว่าเออท่านจะไปไหนแล้วคนหนึ่งก็กขอไปด้วยขอไปด้วยจนกระทั่งมีหมู่พวกตามมาเยอะแยะแม้แต่พระพุทธเจ้าก็ไปแต่เรามาฟังรายละเอียดของเรื่องสามเณรตอนนี้มีรายละเอียดที่เขาได้พูดถึงการปรินิพพานของท่านพระอานนท์ด้วยแต่เรื่องนี้ก็น่าสนใจเหมือนกันเรามาฟังตอนต่อกล่องเรื่องสามเณรติดสะไนที่ หลังจากท่านบรรลุธรรมแล้วท่านขาความของคำที่ท่านเทศอยู่เสมอๆว่าให้มีความสุขให้พ้นจากทุกเนี่ยท่านขยายความไว้ว่าอย่างไรแล้วก็มีเรื่องที่ทำให้เกิดการไม่พอใจกันนิดนึงด้วยในตอนนี้ของเรื่องตอนอุปชายยะไปเยี่ยมสามนเณรครั้นเวลาประวัตณาออกปัญษาแล้วพระอุปชายยะของสามนเณรนั้น ก็ไปเฝ้าพระสัสดาไว้เมืองกลมแล้วกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์จะไปยังสำนักของติสาสามเณรไปเถิดสารีบุตรพระสารีบุตรเตระนั้นเมื่อปาพิสูประมาณ500รูปซึ่งเป็นบริบาลกองตนหลีกไปได้กล่าวว่าท่านโมคะระนะผู้มีอายุ กระผมจะไปยังสำนักของติดสาสามเณรพระโมกนันนะเตระก็กล่าวว่าท้าผู้เมีอายุแม้กระผมก็จะไปด้วยนังนนี้แล้วก็ออกไปพร้อมกับพิสุ ป, ประมาณห0 0รูปพระมหาสาวกทั้งปวงคือพระมหากัสปาเตระพระอนุรุตาเตระพระอุบาลีเตระพระปุญณาเทระเป็นต้น เอาไปพร้อมกับภิกษุประมาณองค์ละห0 0รูปโดยอุบายนั้นแหละบริวารกองพระมหาสาวกแม้ทั้งหมดได้เป็นภิกษุประมาณสี่0 0ื่ผู้บาศกผู้บำรุงสามนเนนเป็นประจำเห็นภิกษุเหล่านั้นผู้เดินทางประมาณร้อยยี่บโยตถึงโคจรขามแล้วนะประตูหมู่บ้านนั่นเองตอนรับแล้ว ได้ไว่ายแล้วลำดับนั้นพระสารีบุตรเทระถามอุบาสกนั้นว่าอุบาสกวิหารอันตั้งอยู่ในปา่าในประเทศนี้คือในดินแดนแห่งนี้มีอยู่หรืออุบาสกมีขอรับพระเทระแล้วมีภิกษุหรือไม่อุบาสกมีขอรับก็ใครอยู่ในที่นั้น วนาวาสีติสาสามเณรกรับถ้ากรณนั้นท่านจงบอกต่างแก่พวกฉันก็ท่านเป็นภิกษุพวกไหนก็รับพวกเรามาสู่สำนักของสามเณรอุบาสกแลดูภิกษุเหล่านั้นจำพระมหาสาวกแม้ทั้งหมดได้นับตั้งแต่พระธรรมเสนาบดีเป็นต้นเขามีปีติแผ่ซ่านไปทั่วสรีระ ก็าขึ้นว่าท่านขอรับขอท่านจงหยุดก่อนเติดแล้วเขาก็ได้เข้าไปสู่หมู่บ้านโดยเร็วป่าวร้องว่าพระอสิติมหาสาวุกผู้เป็นเจ้าทั้งหลายเหล่านี้นับตั้งแต่พระสารีบุตรเตร์รเป็นต้นมามาสู่สำนักของสามเณรพร้อมกับด้วยบริวารของตนของตนท่านทั้งหลายจงถือเอาเรื่องใช้มีเตียงตังเรื่องปูรา ประเทและน้ำมันเป็นต้นออกไปโดยเร็วเถิดทันใดนั่นเองพวกมนุษย์ขนเตียงเป็นต้นเดินติดตามรอยพระเถระไปเข้าไปส่วิหารพร้อมกับพระเถระนั่นแหละสามเณรจำหมูภิกษุได้รับบาทและจีวรของพระมหาเถระสองถึงสามมงแล้วได้ทำข้อวัดเมื่อสามเณรนั้น จัดแจงที่อยู่เพื่อพระเตระทั้งหลายเก็บบาทและจีวร อ, อยู่นั่นแหลก็มืดพอดีพระสารีบุตรเตระกล่าวกับอุบาสกเหล่านั้นว่าอุบาสกทั้งหลายพวกท่านไปเติดความมืดเกิดแก่พวกท่านแล้วพวกอุบาสกท่านผู้เจริญวันนี้เป็นวันฟังธรรมะพวกกระผมจะยังไม่ไป จะฟังธรรมในการก่อนแต่นี้แม้การฟังธรรมไม่ได้มีแก่พวกกระผมทั้งหลายพระเตระสามเณรถ้าการะนั้นเธอจงตามประทีปคือจุดโคมไฟประกาศเวลาฟังธรรมเิดสามเณร น, นั้นก็ได้ทำอย่างนั้นแล้วลำดับนั้นพระเตระกล่าวกับสามเณร น, นั้นว่าติสสะ พวกอุปตากของเธอกล่าวอยู่ว่าใครจะฟังทำเธอจงกล่าวทำแก่อุปถากเหล่านั้นพวกอุบาสกลุกขึ้นพร้อมกันทันทีแล้วกล่าวว่าท่านผู้เริญพระผู้เป็นเจ้าของพวกกระผมยกแต่บทสองบทเหล่านี้เท่านั้นคือขอท่านทั้งหลายจงมีความสุขขอพ้นจากทุกท่านหารู้ธรรมคถาอย่างอื่นไม่ ก่อนท่านทั้งหลายจงให้พระธรรมกติกรูปอื่นแก่พวกกระผมเถิดก็สามเณรถึงบรรลุพระอรหันต์แล้วก็ไม่ได้กล่าวธรรมกถาแก่อุปตากเหล่านั้นเลยตอนเหตุให้ถึงสุขและพ้นจากทุกข์ก็ในการนั้นพระอุปชากล่าวกับสามเณนรนว่าสามเณร คนทั้งหลายจะมีความสุขได้อย่างไรและจะพ้นจากทุกข์ได้อย่างไรเธอจงกล่าวเนื้อความแห่งบททั้งสองนี้แก่เราทั้งหลายสามเณรนั้นรับคำดังนั้นแล้วจึงถือพัดอันวิจิตขึ้นสู่ธรร ม, มาทิชักผลและเหตุมาจากนิกายทั้งห้าจำแนกขันาธาตุอเยตนะและโพธิปักยียธรรม ดุจมหาเมฆตั้งขึ้นในสี่ทวีปอย่าง ฝ, ฝนลูกเห็บให้ตกอยู่ก็าธรรมกถาโดยยอดคือพระอารหันต์แล้วกล่าวว่าท่านผู้เจริญความสุขย่อมมีแก่บุคคลผู้บรรลุพระอารหันต์อย่างนี้ผู้บรรลุพระอารหันต์แล้วนั่นแลย่อมพ้นจากทุกข์คนที่เหลือไม่พ้นจากชาติทุกขคือทุกคือการเกิดเป็นต้น และจากทุกในนรกเป็นต้นได้ดังนี้พระเทระจึงกล่าวว่าดีละสามเณรการกล่าวโดยบทอันเธอกล่าวดีแล้วบัดนี้จงกล่าวสารพันย่าเธอสามเณรนั้นก็ได้กล่าวแม้สารพันยะาแล้วเมื่ออรุณขึ้นพวกมนุษย์ที่บำรุงสามนเณรได้แบ่งเป็นสองพวก บางพวกโกรธว่าก็อนให้การก่อนแต่นี้พวกเราไม่เคยเห็นคนหยาบช้าเช่นนี้ทำไมสามเณรรู้ธรรมกตาเห็นแบบ น, นี้จึงไม่กล่าว บ, บทแห่งธรรมแม้ซักบทหนึ่งแก่พวกเราผู้ตั้งอยู่ในฐานะเพียงดังมารดาบิดาอุปถากอยู่สิ้นการประมาณเท่านี้และบางพวกมีความยินดีว่าเป็นลาบของพวกเราหนอ ผู้ไม่รู้คุณหรือโทษบำรุงท่านผู้เจริญเห็นบานนี้แต่บ่านนี้พวกเราได้เพื่อฟังธรรมในสำนักของท่านผู้เจริญนั้นก็ในเวลาใกล้รุ่งวันนั้นแม้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรวจดูสัตว์โลกทรงเห็นผู้อุปตากของวันวาสีติสะสามเณรผู้เข้าไปภายในกายคือพระญาณของพระองค์ ทรงใรกรโกรนอยู่ว่าเหตุอะไรน้อและจะมีทรงไกร่กรธเหนือความนี้ว่าผู้อุปตากของวนาวาศีติสะสามเณรบางพวกโกรธบางพวกยินดีก็พวกที่โกรธสามเณรผู้เป็นบุตรของเราจะไปสู่นรกเราควรไปที่นั้นเถิดเมื่อเราไปคนเหล่านั้นแม้ทั้งหมดจะทำเมตตาจิตในสามเณรแล้วพ้นจากทุกได้ มนุษย์แม้เหล่านั้นนิมนต์ภิกษุสงฆ์แล้วก็กลับไปบ้านให้คนทำมนดบจัดอาหารวัตถุมียากู่และพัดเป็นต้นปูอัศนะแล้วนั่งดูการมาของพระสงฆ์แม้ภิกษุทั้งหลายทำการํำระสรีละแล้วเมื่อจะเข้าไปสู่บ้านในเวลาเที่ยวพิกษาจึงถามสามเณรว่า ติสสะเธอจะไปพร้อมกับพวกเราหรือหรือจะไปในภายหลังสามเณรกระผมจะไปในเวลาเป็นที่ไปของกระผมตามเคยนิมนต์ท่านทั้งหลายไปเถิดกรับตอนพวกมนุษย์เลื่อมใสติสสะสามเณรภิกสุท้งหลายถือบาดและจีวรเข้าไปแล้วพระศาสดาทรงห่มจีวรในพระเฉตตวันนั่นแล แล้วส่งถือบาทเสด็จไปโดยขณะจิตเดียวเท่านั้นส่งแสดงพระองค์ประทับยืนข้างหน้าภิกษุทั้งหลายที่เดียวชาวบ้านทั้งสิน้นได้ตื่นเต้นเอกรเริกเป็นอย่างเดียวกันว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จมาพวกมนุษย์มีจิตราเริงมีมนภิกษุสงมีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขให้นั่งแล้วถาวายยากู่แล้ว ได้ถวายของกวนเคียวเมื่อพัดยังไม่ทันเสร็จนั่นแลสามเณรเข้าไปสู่ภายในหมู่บ้านแล้วชาว บ, บ้านนายดำออกไปถวายภิกษาแก่สามเณรโดยครพบสามเณรนั้นรับปิกษาเพียงอย่างอัตภาพให้เป็นไปแล้วไปสู่สำนักของพระศาสดาน้อมบาทเข้าไปแล้ว พระศาสดาตรัสว่านำมาเติดติสะแล้วทรงเหยียดพระหัศรับบาดท่งแสดงแก่พระเทระว่าสารีบุตรเธอจงดูบาดของสามเณรของเธอพระเทระรับบาดจากพระหัศรของพระศาสดาให้แก่สามเณรแล้วกล่าวว่าเธอจงไปนั่งธทำพัตกิจในที่ถึงแก่ตนเิด ชาวบ้านอังคาดคือตวายภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประธานแล้วทูลขออนุโมทนากับพระศาสดาพระศาสดาเมื่อจะทรงทำอนุโมทนาจึงตรัสอย่างนี้ว่ากุบาศกและอุบาศิกาทั้งหลายเป็นลาบของท่านทั้งหลายซึ่งได้เห็นอาสีติมหาสาวก ค, คือสารีบุตรโมกละนะกัส ป, ปะ เป็นต้นพระอาศัยสามเณรผู้เข้าถึงสกุลของตนของตนและแม้เราก็มาแล้วพระอาศัยสามเณรผู้เข้าถึงสกุลท่านทั้งหลายเหมือนกันแม้การเห็นพระพุทธเจ้าอันท่านทั้งหลายได้แล้วพระอาศัยสามเณรนี้นั่นเองเป็นลาภของท่านทั้งหลายท่านทั้งหลายได้ดีแล้ว น, น, นันนี้มนุษย์ทั้งหลาย มีความคิดว่าน่ายินดีจริงเป็นลาภของพวกเราพวกเราได้เห็นพระผู้เป็นเจ้าของพวกเราผู้สามารถในการยังพระพุทธเจ้าและพระภิกษุสงฆ์ให้โปรดปรานและย่อมได้ถวายทยธรรมแก่พระผู้เป็นเจ้านั้นนังนี้พวกมนุษย์ที่โกรธสามเณรก็กลับยินดีแล้วพวกที่ยินดีแล้วเลื่อมใสโดยประมาณยิ่ง ก็ในเวลาจบพนุทนาจนเป็นอันมากบรรลุอริยผลทั้งหลายมีโสดาปฏิผลเป็นต้นแล้วพระศาสดาเสด็จลุกจากอาสนะหลีไปแล้วมนุษย์ทั้งหลายตามส่งเสด็จพระศาสดาถาวายบังคมแล้วก็กลับไปพระศาสดาเสด็จไปด้วยพระตุระ อันเสมอกับสามเณรตระถามประเทศที่อุบาสกแสดงแล้วแก่สามเณรนั้นในการก่อนว่าสามเณรประเทศคือบริเวณนี้ชื่ออะไรประเทศคือบริเวณนี้ชื่ออะไรดัง น, น, นี้แล้วก็ได้เสด็จดำเนินไปแม้สามเณรก็กราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญประเทศคือบริเวณนี้ชื่อนี้บริเวณนี้ชื่อนี้ ก็ได้ไปแล้วตอนน้ำตาของมนุษย์มากกว่าน้ำในมหาสมุทรพระศาสดาเสด็จถึงที่อยู่ของสามมนีนั้นแล้วเสด็จขึ้นสู่ยอดภูเขาก็มหาสมุทรย่อมปรากฏแก่ผู้ยืนอยู่บนยอดภูเขานั้นพระศาสดาตรัสถามสามเมนนว่าติจเธอยืนอยู่บนยอดภูเขา แลดูข้างโนนและข้างนี้เห็นอะไรสามเณรเห็นมหาสมุดพระโชกฆ่าพระศาสดาเห็นมหาสมุดแล้วคิดอย่างไรข้าพระองค์มีความคิดว่าเมื่อเราร้องไห้ในคราวที่ถึงทุกข์น้ำตาพึงมากกว่าน้ำในมหาสมุดทั้งสี่ระโชก่านี่ล่ะดีล ะ, ละติสสะข้อนี้เป็นอย่างนั้นเพราะน้าตาอันไหลออก ในเวลาที่สัตว์ผู้หนึ่งผู้หนึ่งถึงซึ่งทุกข์พึงเป็นของมากกว่าน้ำทะเลในมหาสมุทรทั้งสี่โดยแท้ก็แลเมื่อตรัสกรามนี้แล้วจึงได้ตรัสคําที่เป็นคาถาเสื่อไปว่าน้ำในมหาสมุทรทั้งสี่เล็กน้อยน้ำคือน้ำตาของนรผพูดถึงทุกข์ถูกต้องแล้วเศร้าโศกอยู่มีประมาณไม่น้อย มากกว่าน้ำในมหาสมุทรทั้งสี่นั้นสาหายเพราะเหตุไรท่านจึงยังประมาทอยู่นันนี้ลำ ด, ดับนั้นพระศาสดาตถามสามเณร น, นั้นอีกว่าติสระเธออยู่ที่ไหนอยู่ที่เงื้อมเขานี้พุชค่าก็เมื่ออยู่ในที่นั้นเธอคิดอย่างไรข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์คิดว่า อันเราผู้ตายอยู่ทำการทิ้งสรีระในที่นี้ไม่มีกาหนดประชคา่าดีละดีละติสสะข้อนี้เป็นอย่างนั้นเพราะชื่อว่าสถานที่แห่งสัตว์เหล่านี้ผู้ที่ไม่นอนตายบนแผ่นดินไม่มีนั่นนี้แล้วจึงได้ตรัสอุปะสารลกะชาดกในทุกนิบาทโดยคำที่เป็นกาถานิวา รามนามว่าอุปะสาระหกะหมื่นสี่พันถูกไฟไหม้แลในประเทศนี้สถานที่อันสัตว์ไม่เคยตายไม่มีในโลกความสัตว์หนึ่งธรรมะหนึ่งความไม่เบียดเบียนหนึ่งความสมํารวมหนึ่งความฝึกฝนแล้วหนึ่งมีอยู่ในที่ใดพระอริยชาติทั้งหลายย่อมเสพที่เช่นนั้น สถานที่นั้นชื่อว่าอันสัตไม่เคยตายในโลกก็เมื่อสัตทั้งหลายทำการทอดทิ้งสรีระไว้เหนือแผ่นดินตายอยู่สัตทั้งหลายชื่อว่าตายในประเทศที่ไม่เคยตายย่อมไม่มีด้วยประการชนนี้ส่วนพระเทระทั้งหลายเช่นท่านพระอานนเทระย่อมปริปานในประเทศที่สัต ไม่เกิดตายตอนการปรินิพัน์ของพระอาหนนนางได้สดับมาพระอาหนเทระพิจารณาดูอายุสังขารในการมีอายุได้ร2อยี่สิปีทราบความที่อายุนั้นสิ้นไปรอบจึงบอกว่าเราจะปรินิพันฑ์ในวันที่7จจากวันนี้บรรดามนุษย์ผู้อยู่ที่ฝั่งทั้งสอง แห่งแม่น้ำโรหินีทราบล่าวนั้นแล้วผู้ที่อยู่ฝั่งนี้กล่าวว่าพวกเรามีอุปการะมากแก่พระเทรรพระเทระจะปรินิพานในสำนักของพวกเราผู้ที่อยู่ฝั่งโนนก็กล่าวว่าพวกเรามีอุปการะมากแก่พระเทระพระเทระจะปรินิพานในสำนักของพวกเราพระอนุเทเรฟังคำของชนเหล่านั้นแล้วคิดว่า แม้พวกชนผู้อยู่ที่ฝั่งทั้งสองก็มีอุปการะแก่เราเท่านั้นเราไม่อาจกล่าวว่าชนเหล่านี้ไม่มีอุปการะได้ถ้าเราจับปริญญิปานที่ฝั่งนี้ผู้อยู่ฝั่งโ น, น้นจะทำการทะเลาะกับพวกฝั่งนี้เพื่อจะถือเอาอัตถิธาตถ้าเราจับปรินญิปานที่ฝั่งโ น, น้นพวกที่อยู่ฝั่งนี้ก็จะทาเหมือนอย่างนั้นความทะเลาะแม้เมื่อจะเกิด ก็จะเกิดขึ้นอาศัยเราแน่แท้แม้เมื่อจะสงบก็จะสงบอาศัยเราเหมือนกันดังนีน้แล้วก็ได้กล่าวว่าทั้งพวกที่อยู่ฝั่งนี้ย่อมมีอุปการะแก่เราทั้งพวกที่อยู่ฝั่งโน้นก็มีอุปการะแก่เราใครๆชื่อว่าไม่มีอุปการะไม่มีพวกที่อยู่ฝั่งนี้จงประชุมกันที่ฝั่งนี้แหละ พวกที่อยู่ฝั่งโน้นก็จงประชุมกันที่ฝั่งโน้นแหละนั่นี้ในวันที่เจ็แต่วันนั้นพระเถระนั่งโดยบรรลังก์ในอากาศประมาณเจ็ดชั่วลําตาลในท่ามกลางแหงแม่น้ํากล่าวธรรมแก่มหาชนแล้วอธิฐานว่าขอสตรีระของเราจงแตกในท่ามกลางส่วนหนึ่งจงตกฝั่งนี้ ส่วนหนึ่งจงตกฝั่งโน้นพระเทระนั่งอยู่ตามปกตินั่นแหลเข้าสมาบัติมีเตโชธาตุเป็นอารมณ์เปลวไฟได้ตั้งขึ้นแล้วสติระแตกแล้วในท่ามกลางส่วนหนึ่งตกฝั่งนี้ส่วนหนึ่งตกฝั่งโน้นมาหาชนร้องไห้แล้วเสียงร้องไห้ได้เป็นราวกว่าเสียงแผ่นดินชุบ นาสงสารแม้กว่าเสียงร้องไห้ในวันปินิพัน์แห่งพระสัสดาพวกมนุษย์ร้องไห้ร่ำไรอยู่ตลอดสี่เดือนเที่ยวบนเปออยู่บ้าเมื่อพระเทระผู้รับบาทจีบอลของพระสัสดายังดำรงอยู่ได้ปรากฏแก่พวกเราเหมือนการที่พระสัสดายังสนพระชนอยู่บับนี้ พระศาสดาของพวกเราประเดนนี้ผ่านแล้วดังนี้ตอนพระศาสดาสนทนากับติสสะสามเณรพระศาสดาตรัสถามสามเณรนั้นอีกว่าติสสะเธอไม่กลัวเพราะเสียงแห่งสัตว์ทั้งหลายมีเสียงเสือเหลืองเป็นต้นในชัดแห่งป่านี้หรอกหรือแค่แต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์ย่อมไม่กลัว ก็แลอีกอย่างหนึ่งชื่อว่าความยินดีในปา่าย่อมเกิดขึ้นแก่ข้าพระองค์เพราะฟังเสียงแห่งสัตว์เหล่านั้นสามเณรก็ได้กล่าวพันธนาปา่าด้วยคาถาประมาณ6กคาถาเพราะนั้นพระาศาสดาตรัสเรียกสามเณร น, นั้นว่าติสะอะไรพระเจ้าคา่าพวกเราจะไปแล้วเธอจะไปหรือเธอจะกลับ ก็เมื่อพระอุปชายะของข้าพระองค์พาข้าพระองค์ไปข้าพระองค์จะไปเมื่อให้ข้าพระองค์กลับข้าพระองค์ก็จะกลับรขขพระชจาข้าพระศัสดาเสด็จหลีไปกับพิกสุสง์แต่อัตยาสัยของสามเณรใครจะกลับอย่างเดียวพระเจระทราบอัตยาสัยนั้นจึงกล่าวว่าติสะถ้าเธอใครจะกลับ ก็จงกลับเดิดสามเณรถวายบังคมพระาศาสดาและวไหว้ภิกษุสงฆ์กลับแล้วพระาศาสดาก็ได้เสด็จไปยังพระเชตวันแล้วแหละตอนพวกภิกษุสรรเสริญสามเณรการสนทนาของภิกษุทั้งหลายเกิดในโรงต่ำว่าน่าสะใจันาะติศาสามเณนรนทำกรรมที่บุคคลทาได้ยาก จำเดิมแต่ถือปฏิสนธิพวกญาติของเธอได้ถวายค่าปราชญมีน้ำน้อยแก่ภิกษุประมาณห0 0ในงานมงคลเจครั้งในเวลาบวชแล้วก็ได้ถวายค่ามนุษย์ปาติมีน้ำน้อยเหมือนกันแก่ภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประธานภายในวิหารสิ้นเจ็วันครั้นบวชแล้วในวันที่8เข้าไปสู่บ้าน ได้บินนบาดพันหนึ่งกับผ้าสาดกพันหนึ่งโดยสองวันเท่านั้นวันรุ่งขึ้นได้ผ้ากำพลพันหนึ่งในเวลาเธออยู่ในที่นี้ลาบและสาการะมากก็เกิดขึ้นแล้วด้วยประการชนนี้บัดนี้เธอจิงลาบและสาการะเห็นป่านนี้เสียแล้วเข้าสู่ป่ายังอัตภาพให้เป็นไปด้วยอาหารที่เจือกัน สามเณรทำกรรมที่ทำได้ยากนอะหลังนี้ตอนข้อปฏิบัติสองอย่างพระศาสดาเสด็จมาแล้วตรัสถามว่าภิกษุทั้งหลายบัดนี้พวกเธอนั่งสนทนากันด้วยเรื่องอันใดห น, เนอเมื่อภิกษุเหล่านั้นกลับทูลว่าด้วยเรื่องชื่อนี้พระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสว่า อย่างนั้นภิกษุทั้งหลายชื่อว่าข้อปฏิบัติอันเข้าไปอาศัยลาบนั้นเป็นอย่างหนึ่งข้อปฏิบัติอันยังสัตย์ใหถึงปันปนิพพานเป็นอย่างหนึ่งก็ อ, อบายสกุนรกเปรตอสุรกายและสัตว์เดรฉานมีประตูอันเปิดแล้วนั่นแหละตั้งอยู่เพื่อภิกษุผู้รักษาข้อปฏิบัติ อันเข้าไปอาศัยราบด้วยการสมาทานทุดงมีการอยู่ป่าเป็นต้นโดยหวังว่าเราจะได้ลาบด้วยการปฏิบัติอย่างนี้ส่วนพิกษุผู้ละลาบและสาการะเกิดขึ้นแล้วด้วยข้อปฏิบัติอันยังสัตว์ใหถึงพระนิพพานแล้วเข้าสู่ป่าเปลี่ยนพยายามอยู่ยึดถือเอาพระอรหันต์ไว้ได้หนังนี้ เมื่อจะทรงแสดงธรรมสือมนุสสนทิที่ได้ตรัสพระคถานี้ขึ้นบ่าก็ข้อปฏิบัติอันข้อปอาศัยลาบเป็นอย่างหนึง่งก็ปฏิบัติอันสัตว์ให้ถึงพระนิพพานเป็นอย่างหนึง่งพิกสุผู้เป็นสาวกของพระพุทธเจ้าทราบเนื้อความนั้นอย่างนี้แล้วไม่พึงเพลิดเพลินสักกระ เพื่ตามเจริญวิเวกบาลีว่าอัญญาหิลาภูปะนิสาอัญญานิพพานขามินีเอวามตังอภิญายะพิกุพุทธะสาวโกสาการังนาพินันเตยะวิเวกะมนุปรูหเยก็ในบรรดากรรมเหล่านั้นก็ที่ว่า อัญยาหิลาภูปะนิสาแปลว่าก็ข้อปฏิบัติอันเข้าไปอาศัยลาบเป็นอย่างหนึ่งข้อนี้หมายความว่าชื่อว่าข้อปฏิบัติอันเข้าไปอาศัยลาบนี้เป็นอย่างนี้แลข้อปฏิบัติอันยังให้ถึงปันนิพพานเป็นอย่างหนึ่งคือเป็นคนลอย่างจึงอยู่อันภิกษุผู้จะให้ลาบเกิดขึ้นควรทําำอากุศลธรรมหน่อยหนึ่ง การโคดกายคือการกระทำทางกายที่เป็นความโคดเป็นต้นหน้าที่เธอจะปึงงทำด้วยว่าในการใดที่ภิกษุทำการโคดบางอย่างบรรดาความโคดด้วยการกระทำที่เป็นไปนในทางกายเป็นต้นในการนั้นลาบย่อมเกิดขึ้นก็เมื่อภิกษุย่อนมือลงตรงๆงในถาดข้าวปายาต ไม่ทำให้งอขึ้นยกขึ้นแล้วมือเป็นแต่เพียงเปลื่นเท่านั้นแต่เมื่อหย่อนลงแล้วทำให้งอแล้วยกขึ้นมือย่อมช้อนก้อนข้าวปลายาออกมาได้แท้ลาบและสาการะย่อมเกิดขึ้นในคราวทำการคดทางกายเป็นต้นอย่างหนึ่งนี้จัดเป็นข้อปฏิบัติอันข้อปอาศัยลาบที่ไม่ชอบทำ แต่ลาบที่เกิดขึ้นด้วยเหตุเห็นปานนี้คือการถึงบ ร, รมด้วยอุปติการทรงไว้ซึ่งจีวรคือการกรองจีวรความเป็นพระหูสูตรความมีบริวารและการอยู่ป่าชื่อว่าประกอบด้ดยธรรมก็ภิกษุผู้บำเพ็ญก็ปฏิบัติอันยังสัตว์ใหถึงปรณิปานพึ่งละความคดทางกายเป็นต้นเหล่านั้นเสีย อันภิกษุผู้บำเพ็ญข้อปฏิบัติอันยังสัตว์ให้ถึงนิพพานไม่ใช่คนบอดเป็นเหมือนคนบอดไม่ใช่คนใบเป็นเหมือนคนใบไม่ใช่คนหนวกเป็นเหมือนคนหนวกจึงควรคำว่าเอว่าเมตังแปลว่าเนื้อความนั้นอย่างนี้หมายความว่าภิกษุชื่อว่าเป็นสาวก เพราะอัตตาว่าเกิดในที่สุดแห่งการฟังหรืออัตตาว่าฟังโอวาและอนุสาสนีของท่านผู้ชื่อว่าพุทธะเพราะอัตตาว่าตรัสรู้สังกตาธรรมและอสังกัตตาธรรมทั้งหมดทราบก็ปฏิบัติเป็นเรื่องอย่างลาบให้เกิดขึ้นและข้อปฏิบัติอย่างสาิตถึงประนิพานนั้นอย่างนี้แล้ว ไม่พึงเพิดเปลินสการะคือปัจจัยทั้งสี่อันไม่ชอบธรรมคือไม่พึงห้ามสการะอันชอบธรรมนั้นนั่นแหละพึงเจริญวิเวกมีกายวิเวกเป็นต้นในบรรดาวิเวกเหล่านั้นความเป็นผู้มีกายโดดเดียวชื่อว่ากายวิเวกสมาบัติ8ชื่อว่าจิตตวิเวก ปณิปานชื่อว่าอุปาทิวิเวกบรรดาวิเวกเหล่านั้นกายวิเวกย่อมบันเทาความคลุกคลีด้วยมูจิตาวิเวกย่อมบันเทาความหมักหมมด้วยกิเลสอุปาทิวิเวกย่อมบันเทาซึ่งความเกี่ยวข้องด้วยสังขารกายวิเวกย่อมเป็นปัจจัยแห่งจิตาวิเวกจิตาวิเวกย่อมเป็นปัจจัยแห่งอุปาทิวิเวก สมจริงดังคำที่พระสารีบุตรเถระแม้กล่าวไว้ว่ากายวิเวกของผู้มีกายสงบแล้วยินดียิ่งแล้วในการออกบวชจิตวิเวกของผู้มีจิตบริสุทธิ์แล้วถึงความป่องแปลอย่างยิ่งและอุปติวิเวกของบุคคลผู้ไม่มีอุปทิถึงพระนิพันธ์หนังนี้พึงเจริญคือพ่อปูนอธิบายว่า พึงเข้าไปสำเร็จวิเวกสานี้อยู่ก็ในเวลาจบเทศนาชนเป็นอันมากบรรลุอริยผลทั้งหลายมีโสดาปฏิปลเป็นต้นนั่นนี้แหละเรื่องพระประนวาสีติสติระ